สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรากลับมาอยู่ใน20กฎทองคำของศาสนาอาจารย์ดรฟิลิปเทงนะครับซึ่งแปลโดยอาจารย์สุพิษวิจักโยทินพี่น้องครับการอยู่ในกฎก่อนและหลังนั้นสำคัญมากเราเห็นว่าพระคมพีได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องหลักการนี้อย่างเฉพาะเจาะจง แต่ เ, เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์และเราให้ตั้งข้อสังเกตหรือสังเกตดูโดยละเอียดรอบคอบแล้วเราจะเห็นหลักการนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆดังต่อไปนี้วันนี้อยู่ในหัวข้อที่หครับก็คือการทำงานรับใช้พระเจ้าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเราพูดกันครับว่าถวายตัวก่อนออกไปรับใช้แต่ในวันนี้ครับพระคัมภีร์พูดชัดเจน ว่าเราจะต้องอยู่กับพระเจ้าก่อนอยู่กับพระเยซูก่อนอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วค่อยทํางานรับใช้พระองค์พี่น้องครับในพระอัจนะของพระเจ้ามาระโกบทที่3ามข้อสิครับโปรดฟังพระอัจฉะของพระเจ้าพระองค์จึงทรงตั้งสิทธิ์12คนไว้ให้อยู่กับพระองค์เพื่อจะทรงใช้เขาไปประกาศโปรดฟังอีกครั้งครับพระองค์จึงทรงตั้งสิทธ 12คนไว้ให้อยู่กับพระองค์เพื่อจะทรงใช้เขาไปประกาศพี่น้องครับสังเกตหลักการพี่น้องคงเห็นชัดเจนพระเจ้าพระเยซูนั้นได้ทรงตั้งสาวกของพระองค์ไว้ให้อยู่สังเกตคําว่าอยู่ครับให้อยู่ให้อยู่กับพระองค์เพื่อจะทรงใช้เขาออกไปประกาศอยู่ต้องมาก่อนใช้ใช่ไหมครับ นั่นหมายความว่าเราจะต้องอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนเราต้องมีชีวิตที่ใกล้ชิดเราจะต้องมีชีวิตที่อยู่กับพระเยซูก่อนแล้วถึงจะไปรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าพระเยซูนั้นเลือกสิท์สิบสองคนเป็นสาวกของพระองค์เพื่อสองประการครับคือ1ให้ใช้ชีวิตอยู่กับพระองค์และสองให้ออกไปประกาศดังนั้นการอยู่กับพระองค์มาก่อนการไปประกาศ อยู่กับพระองค์มาก่อนไปประกาศทีหลังครับนั่นคือการเรียงลาดับความสําคัญก่อนหลังที่สําคัญมากการที่อยู่กับพระองค์ก็เพื่อเรียนรู้จากพระองค์รู้จักพระองค์และรู้จากพระองค์ให้พระองค์ปั้นแต่งรับการสั่งสอนรับการสร้างให้เป็นสาวกก่อนที่จะไปประกาศการประกาศคือออกไปทํางานรับใช้การประกาศคือการที่เราทั้งหลายจะถวายการรับใช้ ทำสิ่งที่ดีๆเพื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าตามน้ำมไธยของพระองค์ในแต่ละวันแต่ละวันพี่น้องครับการอยู่กับพระองค์นั้นเป็นรากฐานออกไปทํางานเป็นการพัฒนาสู่ภายนอกครับการอยู่กับพระองค์คือการที่พระเจ้าได้ทรงตั้งเราทรงได้เราไว้เป็นคนของพระองค์และการออกไปประกาศก็คือไปได้คนมาหาพระองค์พี่น้องครับพระเยซูนั้นได้เรียกเราให้เป็นสาวกของพระองค์ พระองค์ต้องการให้เราอยู่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ในทุกๆเช้าให้เราได้นั่งอ่านพระคัมภีร์นั่งฟังเสียงของสิเจพิบาลพี่น้องครับกําลังอธิบายพรวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นก็เปรียบเสมือนกับพระองค์เองพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้านั้นทําให้เราได้อยู่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ครับและการที่เราอยู่กับพระองค์คือการที่พระองค์ได้เราไว้เป็นคนของพระองค์ การออกไปประกาศคือการที่เราไปได้คนอื่นมาสู่พระองค์คนเหล่านั้นจําเป็นจะต้องเป็นคนของพระองค์ครับเพราะว่าจะต้องให้พระองค์ได้เขาก่อนต้องให้พระองค์ได้เขาก่อนคําถามในวันนี้ก็คือว่าพระองค์ได้เราแล้วหรือยังพระองค์ได้เราแล้วหรือยังการที่เราจะออกไปทํางานรับใช้พระเจ้านั้นพระองค์ต้องได้เราก่อนครับพระองค์ต้องให้เราอยู่กับพระองค์ก่อนเราจะต้องเป็นสาวกของพระองค์ก่อนมิฉะนั้นแล้วเราจะไปสร้างสาวกไม่ได้ พี่น้องครับสาวกเท่านั้นจึงจะสร้างสาวกได้ดังนั้นเองเราถึงจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้พี่น้องครับการอยู่กับพระเยซูนั้นทำให้เราเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้ครับเมื่อเราเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้แล้วเราจึงค่อยไปพาคนอื่นให้มาเป็นอุปกรณ์ของพระองค์ให้มาเป็นสาวกของพระองค์นั่นคือหลักการพี่น้องครับสำคัญมากครับหลายคนนั้นต้องการบายพาส บายพาสคือว่าทางรัฐที่จะรับใช้พระเจ้าโดยไม่ได้เป็นสาวกนะครับเราจึงมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายเราจึงมีเหตุการณ์แปลกๆบางอย่างเกิดขึ้นมากมายในการรับใช้พระเจ้าของคุณและผมและด้วยเหตุนี้เองครับทำให้เราไม่สามารถที่จะมีความราบรื่นมีความสงบมีความเรียบร้อยมีสันติสุข มีความชื่นชมเปนดีและได้รับพผภร์จากการรับใช้เพราะว่าบางคนบางท่านนั้นไม่ได้อยู่กับพระเยซูก่อนที่เขาจะมารับใช้พระเจ้าไม่ได้เป็นสาวกจริงๆไม่ได้มีท่าทีของการสา ร, รภาพบาปกับใจใหม่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะติดตามพระเยซูอย่างจริงใจพี่น้องครับเหล่านี้แหะครับเป็นเหตุที่ทำให้ความไม่มีหรือการไม่ได้อยู่กับพระเยซูนั้นจึงเป็นอุปสรรค ของการรับใช้พระเจ้าเพื่อนพีสอนชัดเจนครับว่าเราเองนั้นจะต้องไม่ตั้งไม่ตั้งนะครับไม่ตั้งคนที่เชื่อใหม่ๆหมใ ห, ใ, หให้มารับใช้พระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าการรับใช้พระเจ้านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาจากคนที่รักพระองค์รักพระองค์อย่างเดียวไม่พอครับเราจะต้องรู้จักกับพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นเราถึงจะรักพระองค์ได้อย่างที่พระองค์ต้องการ พี่น้องครับโปรดจำไม่ว่าเราจะต้องรู้จักพระองค์อย่างที่พระองค <_ iz BB> ์ทรงเป็นเพื่อที่เราจะรักพระองค์อย่างที่พระองค์ต้องการอย่างที่พระองค์ปรารถนาพี่น้องครับพี่น้องเคยรู้จักคนบางคนที่เขาอยากจะแสแดงความรักต่อพี่น้องโดยที่พี่น้องไม่ปรารถนาไหมครับแน่นอนครับย่อมจะมีทุกๆคนนะครับเช่นเดียวกันครับเวลาที่เราอยากจะแสแดงความรักกับพระเยซู แต่ว่าพระเยซูไม่ปรารถนานั่นหมายความว่าความรักของเราที่เราทํานั่นมันเป็นความรักที่เรามโนขึ้นมาเองว่าพระเยซูต้องการอย่างนี้พระเยซูต้องการอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วพระเยซูต้องการให้เราอยู่กับพระองค์นะครับมากกว่าที่จะรับใช้พระองค์แปลว่าอะไรครับแปลว่าการอยู่กับพระองค์อย่างนางมารีที่จะอยู่ที่เบื้องพระบาทของพระเยซูฟังพระสุรเสียงของพระเยซูก็ต้องมา ก่อนการรับใช้และเปเยซูทรงชมนางมารีนะครับรเปียสูทรงชมนางมารีว่าสิ่งที่ดีนั้นนางมารีนั้นได้่วยเอาไว้เป็นของตัวเองแล้วเปียสูตัดคำนี้กับมาธาเพราะว่ามาทานั้นเริ่มมีปฏิกิริยาขุนเคืองใจไม่พอใจที่น้องสาวไม่ได้ช่วยทำอะไรเลยในการรับใช้ในการปฏิบัติพระองค์เอาแต่นั่ง อยู่ที่เบื้องพระบาทของพระเยซูแล้วก็ฟังสิ่งที่พระเยซูกำชับเขาสอนเขาพี่น้องครับนั่นคือตัวอย่างเราอยากจะเป็นมาตาหรืออยากจะเป็นมารีครับถ้าเราเป็นมาตาเราก็ดูเหมือนขยันขันแข็งดูเหมือนว่าทําอะไรหลายอย่างเพื่อพระเจ้าแต่พระเยซูไม่พอพระทัยเลยครับพระเยซูต้องการให้ฟังเสียงพระองค์ก่อนก่อนที่เราจะออกไปรับใช้พระเยซูต้องการให้เราอยู่กับพระองค์ก่อน ก่อนที่เอาออกไปรับใช้พี่น้องท่านใดที่เปิดเสียงสิทธิบาลฟังนะครับพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจนะครับอยากจะให้กําลังใจว่าเราเองนั้นจะต้องใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าก่อนอ่านพระคัมภีร์ก่อนครับพี่น้องครับผมอยากจะบอกเรื่องหนึ่งครับก็คือว่าการฟังเสียงสิทธิพิบาลนี้ไม่สามารถทดแทนการอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวของเราของคุณและผมได้พี่น้องครับเราจะต้องกลับไป ออริจิโน่ครับไม่มีใครที่เป็นตัวกลางไม่มีใครที่จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะทำให้เรานั้นเชื่อมกับพระเจ้าได้เว้นไว้แต่พระเยซูพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นครับว่าเราต้องกลับไปหาออริจิโนก็คือพระจชนะของพระเจ้าพระเจนะของพระเจ้านั้นเป็นพระจนะที่ได้รับการดนใจจากพระเจ้าได้รับการเปิดเผยสมแดงจากพระเจ้า และเป็นการเรียกว่าเป็นตัวแทนของพระเยซูในโลกนี้นะครับที่เราสามารถสัมผัสได้อ่านได้ฟังได้พี่น้องครับเราต้องเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเราเพื่อที่จะฟังพระสวดเสียงของพระองค์ทุกเชา้านั่นคือการอยู่กับพระเยซูครับจึงอยากหนุนใจให้ทุกท่านได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วจึงค่อยมา ฟังเสียงสิยบาลก็ได้นะครับอย่าไปคิดว่าการฟังเสียงสิทธิพิบาลแล้วจะสามารถทดแทนการอยู่กับพระเยซูโดยไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์ได้ครับขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรประทานพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องที่รักทุกท่านทุกๆวันอาเมน